ก็มักดูเข้าไปที่ลักษณะง่วงหรือฟุง้งซึ่งมีระดับแปรปรวนมากขึ้นหรือน้อยลงต่างๆกันในแต่ละลมหายใจดูไปส0บถึงระลอกลมเข้าออกก็มักค่อยอย่างชั่วขึ้นเช่นลมแรกแรกเห็นความง่วงมีลักษณะกดแรงๆเหมือนจะดันเราหัวทิ่มลงฟุบพอดูอีกทีในลมต่อต่อมาแรงกดนั้นก็คลายลงทำให้เบลอเบล อ, บลอชาชา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 กล่าวคือเริ่มรู้ลมหายใจได้ต่อเนื่องทำให้จิตท่งสภาพตั้งมั่นได้เรื่อยๆแม้ไม่อยู่ในที่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพอจิตตั้งท่าจะแปรเป็นฟุง้งหรือก่อวอร์จะดิ้นรนกลับกรุงเทพสติก็เท่าทันณนะเวลาที่พายุเริ่มก่อตัวแล้วกลับส ง, งบสบายคล้ายไม่ไหวติ่งต้องสังเกตจริงๆจึงจะเห็นว่ายังมีระลอกความกระเพื่อมไหวน้อย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 หรือแปรปรวนเป็นอื่นเป็นธรรมดาธรรมะวิจัยอันเกิดจากการฝึกรู้สภาพจิตเกิดดับนั้นมีอนุภาพสูงฉันไม่รู้สึกถึงความเป็นชั้นสิ่งที่ปรากฏก็แค่สภาพจิตอย่างหนึ่งตั้งอยู่ระยะหนึ่งตามกําลังแล้วเสื่อมสลายลงเหมือนฟองสบู่ที่ได้เวลาแตกออกไม่มีความพึงใจอื่นใด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 ก็คือจิตชนิดหนึ่งผลละจิตええ Net, ก็คือจิตชนิดหนึ่งไม่ได้เป็นตัวเราในวินาทีนี้สักหน่อยก็ตัวเราในวินาทีนี้ยังไม่มีมีแต่สภาพจิตที่เดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็แส่สายแล้วจะไปหวังเอาสภาพจิตอื่นมาเป็นรางวาัลให้ใครเมื่อจิตหยาบ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 การอย่างรู้นี่ต่างกับขณะคิดคิดเอาว่าเดี๋ยวมันต้องดับเพราะจิตอยู่ในวาระแห่งการมีสัมปะชัญญารู้ชัดกับทั้งเคยผ่านประสบการณ์เห็นรอยต่ออันเป็นขณะแห่งการแปรสภาพจิตมาหลายหนจนเจนใจแล้วด้วยฉันคิดว่าองค์ที่หกของโพชงคือสมาธิความตั้งมั่นของจิตกับองค์ที่เจ็ดของพ่อชงคืออุเบกขา